รัติเฉดว่าด้วยเหตุให้ขาดราตรีสามอย่างครั้งนั้นท่านพระอุบาลีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นแล้วได้ถวายอภิวาตพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่ารัติเฉดของภิกษุผู้อยู่ปริวาสมีเท่าไหร่พระพุทธเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลีรัติเชตของภิกษุผู้อยู่ปริวาสมีสามอย่างคือหสหวาสะการอยู่ร่วมกัน 2. วิปวาสิกการอยู่ปราด 3. าอนาโรจนาการไม่บอกอุบาลีรัติเชตของภิกษุผู้อยู่ปริวาสมีสามอย่างนี้แล